ขากราบบูชาพระรัตนตรยัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนาการาบคารวะพระอาจารย์ฉัดชัยเพื่อนสาธรรมิกสมณเณรขาเจริญพรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่าน วันนี้พระผู้ใหญ่หลายรูปนะก็ลงไปร่วมงานศพของคุณอูดนาะยมอูดก็ได้มอบหมายให้อัตมานะนนกผมมาพูดคุยนะในเย็นวันนี้ <c oughs> สิ่งที่จะ พูดคุยก็คงไม่มีเรื่องอะไร น, ะนอกจากสิ่งที่เราตั้งใจนะที่จะมาวัดป่าสกุตโตนะมาค้นหาวิธีการนะที่จะทำให้จิตใจของเรานะพ้นจากความทุกข์นะ เมื่อพูดถึงความ uk, นะทุกข์นะบางทีพอพูดถึงความทุกข์นี่หลายคนก็ไม่อยากจะฟังเอาพูดถึงความสุขดีกว่านะมันก็ตรงกันข้ามแนหะชีวิตที่ผ่านมาเราทุกคนนะกขคงจะคุ้นเคยกับการที่เรามีความสุขนะมีความชื่นชมยินดี มีความสบายาเมื่อเราได้เห็นสิ่งสวยๆงามๆได้ฟังเสียงเพราะๆาได้ดมกลิ่นหอมได้กินของอร่อยๆหรือแม้แต่ได้สัมผัสที่เป็นความเย็นสบายาความอ่อนนุ่มหรือความรู้สึกต่างๆ นาะที่ทำให้เรารู้สึกสบายสบายกายนะสบายใจความสุขเหล่านี้เนี่ยเป็นความสุขที่เป็นพื้นฐานนโะดยทั่วไปที่ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสได้ผ่านประสบการณ์ถ้าเราไม่ไม่หลงนะไปในความสุขเหล่านี้เนี่ย เราก็จะรู้เท่าทันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะหลงไปในความสุขกับสิ่งเหล่านี้นะแล้วก็ติดอกติดใจนะแล้วก็อยากจะให้มันมีความสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยอยากได้กินของอร่อยที่มันอร่อยขึ้นไปอีกอยากได้เห็นสิ่งที่แปลกตาอยากได้ยินสิ่งที่แปลกหูนะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราบางครั้งนะต้องอกระวนกระวายหรือบางทีต้องดิ้นรนนะแสวงหาความสุขาจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะซึ่งความสุขเหล่านี้เนี่ยนะหรือความยินดีในสิ่งเหล่านี้เนี่ยภาษาบาลีเขาเรียกว่ากามนะเาเรียกว่ากามมสุข คา ร, ราว่าการในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องเพศสัมพันธ์ในความหมายที่เป็นความหมายที่กว้างขวางนะเรื่องเพศสัมพันธ์ก็ถือว่าเป็นกราร ม, มาสุขอย่างหนึง่งนะที่เป็นยอดปรารถนาของคนในโลกตั้งแต่ครั้งดึกดำบรนมาจนถึงปัจจุบันนี้นะซึ่งก็เป็นสิ่งที่บางคนบางท่านนะก็คงได้เคยผ่านมานะแล้วก็ได้เห็นแล้ว ว่าเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวถ้าเราไม่รู้เท่าทันกับความสุขเหล่านี้เราก็จะวิ่งหาดิ้นรนกระเสือกกระสนเน็ดเหนื่อยที่ได้มาบางทีก็สมหวังที่ได้มาบางทีก็ผิดหวังนะมันก็ทําให้จิตใจของเรา ฟูฟูฟบสุขสุขทุกๆุกกนะเป็นความสุขที่เหน็ดเหนื่อยเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเป็นความสุขที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผู้มีปัญญาผู้มีสตินะย่อมเห็นทั้งคุนและโทษนะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่ามีแต่ โทษนะก็มีคุณก็เรียกกรามมาคุณนะแต่ว่าคุณมันน้อยโทษมันมากนะถ้าผู้มีปัญญาให้พิจารณาเพราะฉะนั้นหลายคนนะเมื่อรู้สึกไม่สมหวังนะกับความสุขที่ได้จากกรามหรือกรามมาสุขนะก็จะค้นหาหรือไปหาสิ่งที่มัน มันไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้มีไหมซึ่งตรงนี้หลายคนก็ไปหาที่สงบที่เงียบไปนั่งสมาธิหลับตาเข้าฌานลืมเรื่อ ง, องต่างๆความคิดทั้งหลายดับลงมีความสุขเย็นอิ่มอยู่กับการนั่งหลับตาหรือว่าการสงบจิตสงบใจ ช่วขณะหนึ่งนะหรือบางทีมันก็สัมผัสกับความเปรติซาบซ่านขึ้นมาในขณะที่เรานั่งสงบ ต, ตรงนี้มันก็เป็นความสุขอีกระดับหนึ่งนะก็เรียกว่าเป็นฌานสุขนะเป็นความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยการสัมผัสจากประสาทสัมผัสทั้ง5อย่างที่เราคุ้นเคยในการมาสุขนั้น ตรงนี้นี่เองนะก็เป็นความสุขนะที่หลายคนนะก็คงจะเคยมีประสบาการณ์ได้เคยผ่านแต่ความสุขที่เกิดขึ้นนะจากการนั่งสงบนะโดยที่มนุษย์ไม่คิดอะไรหายตัวไปเลยนะในขณะที่นั่งก็มีความสุขดีความสุขแบบนี้ ก็เป็นความสุขช่วครั้งช่วคราวเหมือนกันเป็นความสุขขณะที่เรานั่งหลับตานั่นแหละขณะที่เราเข้าฌานนั่นแหละหรือบางคนถ้าสามารถประคับประคองหรือมีฌานที่ต่อเนื่องขณะที่ลืมตาได้แนะก็สามารถที่จะดำรงความสุขนั้นอยู่ได้แต่ก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปอยู่ได้เพียงช่วขณะเหมือนกันแต่มันก็เป็นความสุขที่เบาสบาย มากว่าความสุขที่ได้จากการไม่ต้องดินน้นรนไม่ต้องกสกผสนเป็นความสุขที่เบาสบายแต่ก็นั่นแหละฌานสุขก็ยังเป็นสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันต้องอาศัยความพเหมาะพอดีต้องอาศัยวิธีการที่เราเข้าใจที่เราจะทำให้มันเกิดขึ้นม า, นาตรงนี้ก็เป็น เป็นสิ่งที่เราสังเกตนะหรือเราทําได้เหมือนกันทีนี้มันก็มีความสุขอีกชนิดหนึ่งนะเป็นความสุขที่เกิดจากการที่เรารู้เท่าทันในอารมณ์ในความรู้สึกในความนึกคิดนะก็เรียกว่าเป็นสุขที่รู้ความจริงเป็นสุขที่เกิดจากปัญญานะที่เห็นความจริง ของกายของใจของอารมณ์นะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสุขที่เกิดจากกรรมหรือเป็นความสุขที่เกิดจากฌานก็เห็นความจริงของมันว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไงมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไงมันดับลงไปอย่างไงแล้วปล่อยวางมันนะก็คือไม่เข้าไปยึดไปถือ มองเห็นสิ่งเหล่านี้น่าเป็นปรากฏการณ์เป็นอาการที่มันจะแสดงขึ้นแสดงออกมาเมื่อเราไม่มีปัญญาเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไปหลงจมน่าอยู่ในความสุขน่าที่ได้จากการสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ที่เรียกว่ากามมัสุขหรือไม่ก็ไปหลงน่าอยู่ในความสงบนิ่งน่าหรือในปิติน่าที่เกิดขึ้นน่าจากการ ทำสมาธิตรงนี้นี่เองจึงจําเป็นมาที่เราจะต้องมารู้ความสุขระดับสูงสุดเป็นความสุขที่เกิดจากการเห็นความจริงของความที่เราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ไม่รู้เท่าทันความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆการเห็นความจริงตรงนี้มาจําเป็นน่าจะต้องอาศัยอุปกรณ์หรือเครื่องมือ นาที่เราเรียกมันว่าสติสัมปชัญญะนาหรือความรู้สึกตัวสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวเนี่ยนเป็นเครื่องมือสำคัญนาที่จะให้เรามารู้ความสุขในระดับต่างๆความสุขนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจของเราเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยนาเราไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันโดยใช้ ตาเนื้อได้ไม่สามารถที่จะดมกลิ่นด้วยจมูกได้นะตามันจะต้องอาศัยความรู้สึกตัวนาะที่เป็นตาในหรือตาใจของเรานาะที่จะเห็นความจริงนาะของสิ่งเหล่านี้ตาใจหรือว่าความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วทุกคนมีอยู่นะก็คือสติสัมปชัญญะ โดยสามัญสิ่งนี้เรามีอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกตัวที่เราใช้ในการดำเนินการทํางานมันไม่สามารถที่จะเข้าไปมองเห็นใจเห็นอารมณ์เห็นความนคิดได้ทันเพราะอารมณ์ก็ดีความนคิดก็ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งไม่มีตัวตนถ้าจะว่าไปแล้วมันเป็นพลังงานชนิดหนึ่ง เป็นพลังงานที่มีอิทธิพลครอบงำใจของเราทําให้เราสุขทำให้เราทุกนาะเมื่อเราหลงเราไม่รู้ตัวเราก็จะสุขจะทุกข์อยู่ล่ามไปแต่ไม่ได้แค่ตามที่เรามาเจริญสตินาะมาทําความรู้สึกตัวปลุกความรู้สึกตัวสามัญที่มีเนี่ยให้มันเป็นสติปัฏฐานนาะก็คือเป็นสติที่ฉับไว เป็นสติที่รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในกายในใจของเราตรงนี้นะพระลมงดศัศส ส, สดานะและก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนาะท่านก็ได้พยายามที่จะค้นคว้าค้นพบนะวิธีการในการที่ จะปลุกความรู้สึกตัวนี้ขึ้นมานะด้วยวิธีการต่างๆซึ่งหลายท่านนะก็คงจะมีประสบะการณ์ในการฝึกสมาธิบ้างในการฝึกจลนส์สตตบ้างนะก็มีหลายมีหลายชื่อนะที่เรียกกันส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคุ้นเคยกับการฝึกโดยการนั่งหลับตาใช้คำบริกรรมบ้างใช้ลมหายใจบ้าง ทำจิตให้สงบนะแล้วก็ไม่นิ่งให้ตื่นรู้แต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยตัวกระผมในธรรมะเองเคยฝึกเหมือนกันนะฝึกอนาพนัสติกเนี่ยก็มีความสงบในระดับหนึ่งด้วยสัมผัสกับปิตินะที่เป็นความราบซ่านแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะ ่งแล้วก็นอนหลับซะมากกว่าโอกาสที่จะเกิดปติอะไรเนี่ยมีน้อยแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะคุ้นเคยแล้วก็ชอบนะที่จะนั่งนิ่งๆนั่งสงบเงียบๆแล้วเราคิดว่าอันนั้นนะคือเป้าหมายสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมนี่แหละคือความสุขที่เราต้องการเวลารเราทุกใจ เวลาเราตัดกรุ่มเวลาเราสับสนเราก็จะเข้าไปนั่งในห้องพระไปนั่งเงียบนั่งหลับตานิ่งๆไม่รู้อะไรนะเส้นตรงนั้นมก็ดีนะเป็นการพักใจชั่วขณะหนึ่งแต่การทาแบบนั้นเนี่ยนะมันไม่ได้เข้าถึงปัญหามันไม่ได้แก้ปัญหามันไม่ได้บระเชิญกับอารมณ์นะที่เกิดขึ้นทําให้เราไม่ได้เรียนรู้ทําให้เราไม่เกิดปัญญา ปัญญาในการที่จะเข้าใจชีวิตของตัวเองปัญญาที่จะเข้าใจความทุกข์ความสุขที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาที่แท้จริงการเรียนรู้ที่แท้จริงนั้นเราจะไม่สงบนิง่งไม่รับรู้อะไรเราจะสงบแบบตื่นรู้การสงบแบบตื่นรู้ก็คือว่าเราอาศัย ลมหายใจก็ได้อาศัยการเคลื่อนไหวก็ได้แต่ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยเราจะเน้ น, นให้เรามารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวของกายการใช้ความรู้สึกตัวที่กายเนี่ยมันจะชัดกว่าลมหายใจลมหายใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองเป็นสิ่งที่เบาเป็นสิ่งที่อาจจะรู้สึกตัวไม่ชัดเจน หรือแม้แต่การมีคาบริกรรมลงไปเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบของความคิดเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวการรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวที่กายโดยไม่ต้องนั่งหลับตาโดยไม่ต้องมีคำบริกรรมเนี่ยนะมันเป็นการปลดความรู้สึกตัวอย่างตรงไปตรงมานะอย่างรัดสั้นไม่ต้องอ้อมค้อมนะเพียงแต่ว่า คนที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยจะรู้สึกว่ามันเป็นวิธีการที่ไม่สงบเป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนเหรออาจจะมีคำถามนี้ขึ้นมานะโดยเฉพาะอย่างนี้คนที่ชอบนั่งหลับตาสงบนึ่งเงียบเนี่ยมาเจอวิธีนี้เนี่ยจะจะปฏิเสธทันทีเลยแล้วก็จะไม่ชอบนะซึ่งตรงนี้ตัวกับผมนิตา ม, มาก็เคยเป็น เมื่อตอนที่ไปพบหลวงประเทียนใหม่ๆเมืม่อประมาณ30หรือ40ปีที่แล้วสมัยเป็นนักศึกษาอยู่นะแต่เมื่อเรามาทำเปิดใจลองดูเปิดตาทำความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหว14จังหวะที่ท่านได้นำเสนอทำความรู้สึกตัวกับ ก, บการเดินจงกรม ทำบ่อยๆทำเรื่อยๆทำซ้ำๆทำอยู่บ่อยๆให้เวลากับเรื่องนี้เต็มที่โดยเฉพาะยิ่งคนที่มีเวลาน้อยเนี่ยมาอยู่ที่นี่เนี่ยอยากจะชวนเลยนะกิจกรรมอื่นเนี่ยวางไว้เลยเดินจงกรมสร้างจังหวะโทรศพัพท์นะทิ้งไปเลยไม่ต้องเอาไม่ต้องติดต่อให้เวลากับเรื่องนี้จริงๆ ถ้าเราไม่ทําจริงเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอกนะยิ่งทามาทําทำทำหยุดหยุ ด, ดทำเสร็จเดี๋ยวไปนั่งกดโทรศัพท์เดี๋วไปหาเพื่อนคุยตรงนี้เนี่ยเสียเวลาเสียเวลากับการปฏิบัติเพราะนั้นเจะจะให้ได้ผลจริงเนี่ยนะปลิดตัวอะไรฮะปลิตัวไปปฏิบัติเต็มที่กิจกรรมบันเิน ก็ให้เป็นเรื่องรองไปถ้าเราทําจริงหลวงพ่อ เ, เทียนเคยพูดไว้สมัยก่อนนั่นบอกว่าคนจริงจะรู้ของจริงถ้าคนไม่จริงก็รู้ของไม่จริงทําจริงก็คือว่าทําให้ต่อเนื่องอยันจงกลมสร้างจังหวัดหรือไม่ก็ <c oughs> ทําในรูปแบบเนี่ยให้ต่อเนื่อง สมัยก่อนตัวผมนิจธามาเองทําวันนึงเนี่ยไม่น้อยกว่า8ดชั่วโมงตื่นนอนมาเนี่ยเอาเลยนะทำวัดเสร็จทําต่อถ้าเป็นพระก็ไปบิณฑบาตบิณฑบาตกลับมาฉันเช้าเสร็จทําต่อจนถึงเพนเพนเสร็จทําต่อนานะนะจนถึงเย็นน่ะเย็นก็กลับไปสงน้ําสงน้ําเสร็จ มาทำวัดเย็นเสร็จกลับไปกุฏิทาต่อจนเข้านอนนะนะ่ะละเรียกว่าทุกเวลานาทีเนี่ยเราให้กับการทำในรูปแบบเต็มที่นะโดยเฉายิ่งคนใหม่นะคนเก่าก็เหมือนกันทีนี้บางครั้งบางช่วงเรามีกิจกรรมที่เราต้องไปทำมันไม่อยู่ในรูปแบบนะตรงนี้เราก็ต้องคอยเก็บตก นะมีความรู้สึกตัวกับการเดินม <Hardy> ีความรู <let> ้สึกตัวกับการกินมีความรู้สึกตัวกับการอาบน้ำมีความรู้สึกตัวกับการแปลงฟันตรงนี้พยายามเก็บตกตรงนี้มันจะทำให้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันต่อเนื่องความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องเนี่ยมันจะทำให้สติหรือความรู้สึกตัวเนี่ย มันจะอยู่กับเนื้อกับตัวชีวิตของเราส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยใจของเรามันไปอยู่กับเรื่องข้างนอกไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับสังคมไปอยู่กับเพื่อนฝูงไปอยู่กับข่าวสารไปอยู่กับสิ่งต่างๆมีน้อยมากที่จะมันอยู่กับตัวเราเพราะนั้นเมื่อเรามาเจริญสติเนี่ยก็เป็นการเรียกความรู้สึกกลับไปอยู่กับเนื้อกับตัว เมื่อเราเลือกความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวด้วยการเคลื่อนไหวนาด้วยความรู้สึกตัวที่เคลื่อนไหวกับการเดงจงกรมก็ดีกับการสร้างจังหวะก็ดีหรือการเจตนาที่จะมีความรู้สึกตัวไปในกิจวัตรประจาวันต่างๆในการเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เรามีความรู้สึกตัวเริ่มจากความรู้สึกตัวหยาบๆก็คือที่กายของเราก่อน เราจะเริ่มที่จะสัมผัสกับการเคลื่อนไหวของตัวเราจากที่เราไม่เคยสนใจเลยเราไม่เคยสัมผัสตรงนี้เลยเราเห็นมือที่ยบที่เคลื่อนเราเห็นเท้าที่เดินไปเดินมาเห็นอะ่รที่นี้ไม่ใช่ตาเห็นนะแต่เป็นความรู้สึกตัวและไม่ได้คิดรู้ด้วยนะไม่ได้คิดเห็นด้วยนะ แต่เป็นสัมผัสรู้เป็นสัมผัสที่เราเห็นการเคลื่อนการไหวของกายดูแม้แต่กระพริบตาก็รู้หายใจก็รู้กลืนน้ำลายไปในคอก็รู้ลมที่มาพัดสัมผัสกับผิวหนังก็รู้แต่ก่อนเราไม่เคยสนใจสิ่งเหล่านี้เลยดูแม้แต่บางทีเสียงของแมลงกรีด เกลดเปรกร้องเนี่ยเราไม่เคยได้สนใจสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยมันจะเริ่มปรากฏให้เห็นซึ่งการเห็นนี้ไม่ใช่ตาเห็นนะแต่ใจมันเห็นจากกายเนี่ยเราก็จะไปรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายเช่นความร้อนความเย็นความปวดความเมื่อยนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ เราจะเริ่มเห็นเริ่มสังเกตมันเริ่มปรากฏแต่ก่อนเนี่ยเราไม่ได้ดูเนี่ยพอเราปวดเราเมื่อยเราก็จะหมดหยิตเราก็จะเปลี่ยนเราก็จะไปทำโน้นทํานี่เราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เมื่อเราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ย <c oughs> เราก็จะเฉยเฉไปทำาน้นทำนี้ไปทำกิจกรรมต่างๆเพราะนั้นการเรียนรู้ธรรมะหรือการเห็นธรรมะเนี่ย มันคือเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นขณะ น, นี้การเคลื่อนการไหวของกายการปวดการเมื่อยที่มันเกิดขึ้นนี่แหละหรือความรู้สึกขณะที่เรานั่งนี่แหละนี่คือการเห็นธรรมะในเบื้องต้นไม่จะเห็นสีเห็นแสงเห็นแก้วเห็นสวรรค์เห็นหนรกที่เขาพูดกันไอ้นั่นมันจินตนาการอาจจะมีก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตคือ จินตนาการมันก็แปลกนะภาพนรกสวรรค์เป็นภาพนรกสวรรค์ที่ฝาผนังที่ปวดนั่นแหละมันเป็นไปได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นมายาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นของจริงที่ปรากฏนานาะการเคลื่อนไหวของกายความรู้สึกปวดเมื่อยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและคนที่เริ่มต้นฝึกใหม่ๆก็ดีหรือคนเก่าก็ดีเนี่ยมันจะมีอารมณ์ที่มาขวางกัน ความม่วงบางคนเลยนะไม่เคยเม่วงขนาดนี้เลยทำวันแรกมันม่วงขนาดหนักเลยแล้วก็คิดว่าเอ๊ะสงสัยเราทาไม่ถูกแล้วมั้งจริงๆความม่วงเนี่ยก็เป็นอารมณ์ที่เขาจะมาแสดง <c oughs> เขาจะมาดูเรามาทดสอบกำลังใจของเราว่าเราพอจะไหวไหมมันเป็นอาการตรงกันข้ามกับการตื่นเพราะฉะนั้นถ่าเจอความม่วงเนี่ยนะ อย่านอนมันจะหลับตาเราลืมตามันเดินช้าเราเดินเร็วมันยกมือช้ายกมือให้เร็วขึ้นแก้มันอย่าไปทำตามมันความง่วงเดินหน้ามั น, นง่วงเดินถอยหลังดูแก้มันหลายคนเนี่ยเราจะคุ้นเคยพอเราง่วงปุ๊บเราก็ไปนอน โดวยว่าอยังยิ่งตอนนี้เป็นไม่มีกลุ่มนี่ทำเองอิสระเนี่ยบางคนถ้าใจไม่เข้มแข็งเนี่ยมแมวละพอละไม่ไหวง่วงนอนดีกว่าเดี๋ยวค่อยลุกมาทำใหม่ตรงนี้มันทำให้การเจริญสติของเราไม่ก้าวหน้ามันจะเนิ่นช้านอกจากความเื่องแล้วบางคนฟุ้งซ่านโอ้โหมันคิดขนาดนี้เลยเหรอ มันไม่เคยคิดขนาดนี้เลยเดินจงกรมเนี่ยคิดเรื่องนู่นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้ น, ค, น, ค, น, นคิดเรื่องเกา่าคิดเรื่องอนาคตไปนู่นมานี่เอ๊ะมันอย่างไรเนี่ยเคยได้ยินมาเขาพูดว่ามาปฏิบัติธรรมมันต้องใจสงบสิไม่ใช่มาฟุ้งซ่านอย่างนี้สงสัยจะไม่ถูกแล้วมั้งนะตรงนี้ก็เป็นปัญหาอีกหนจริงๆความฟุ้งซ่านก็เป็นปรากฏการณ์เป็นอาการของจิตอย่างหนึ่งที่เขาจะแสดงตัวออกมา เขาเรียกว่านิวร์เนี่ยประเด็นวิธีการแค่ก็คือกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยอย่าไปสนใจมันเลยมันคิดอะไรอย่าไปตามมันแต่ก่อนมันคิดอะไรเราชอบตามมันเห็นไหมโดยเพราะใครที่ชอบไปอ่านหนังสือก็ดีฟังครูบาอาจารย์ก็ดีบางทีเขาบอกว่าให้ดูความคิดนะมันเกิดขึ้นอย่างไงนะมันตั้งอยู่อย่างไงนะมันดับไปอย่างไงนะ อัตมาก็เคยเป็นแบบนั้นอ่านหนังสือมาฟังครูบาจารย์มาแล้วเราจับประเด็นไม่ถูกมาเจอหลวงพ่อคำเขียนนี่แหละท่านบอกอย่าไปสนใจความคิดอย่าไปให้ค่ามันเลยกลับมารู้สึกตัวที่เราเคลื่อนไหวนี้ยกมือก็ดีเดินจงกลมก็ดีกลับมาตรงนี้ความรู้สึกตัวมันให้มันเด่นอย่าให้ความคิดมันเด่นแต่กรณีความคิดมันเด่นเราตามความคิดตามไป จะไปดูว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไงอันนั้นเราหลงไปแล้วเราหลงไปในความคิดแล้วแต่ถ้าเรากลับมารู้สึกตัวเนี่ยเนี่ยความรู้สึกตัวสติมันจะเด่นความคิดมันจะอ่อนกําลังลงถ้าเราทําอย่างนี้ได้บ่อยๆเนี่ยความคิดฟุ้งซ่านมันจะอ่อนกําลังลงเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นฐานสําคัญในสติฐานสี่ ก็จะพูดถึงอันนี้เป็นอันแรกคือกายานุปัสนาสติปทานเพราะฉะนั้นเราต้องมารู้สึกทิกายเคลื่อนไหวเป็นเบื้องต้นตัวผมไม่แตมาเองแต่ก่อนก็ไม่รู้เราไปฟังครูบาอาจารย์อ่านหนังสือหรือเพราะเดี๋ยวนี้ยกไม่มีประเภทดูจิตดูจิตให้ไปดูจิตเลยให้ไปดูความคิดเลยความรู้สึกที่กายเรายังไม่ชัดเลยพอไปดูมันก็หลงไปในความคิดหลงไปในจิตหลงไปในอารมณ์ มันไม่มีฐานไงเพราะฉะนั้นหลายคนปฏิบัติแล้วก็ไม่ก้าวหน้าเดินหน้าถอยหลังถอยหลังเดินหน้าทําแล้วก็ยังทุกข์อยู่ทําแล้วก็ยังเครียดอยู่ทําแล้วก็ยังหนักอกหนั ก, นกใจอยู่เพราะตรงเนี้เราเริ่มรัดขั้นตอนกระโดดไปขั้นที่สมเลยจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะนั้นเราเริ่มที่กายให้ชัดถ้ากายชัดเดี๋ยวมันจะไปเวทนา เวทนานี้คือปวดเมื่อยสุขทุกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไล่เราเห็นเห็นแล้วเราไม่เข้าไปอยู่กับมันเราถอยลงมาด้วยความรู้สึกตัวหรือแม้แต่ความคิดเราก็ถอยอลงมาดูแต่ก่อนเราจมไปในความคิดจมไปในอารมณ์เพราะเราไม่มีฐานที่มั่นก็คือความรู้สึกตัวที่กายก่อนเพราะนั้นการเห็นธรรมเนี่ยก็คือเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในกายภายในใจของเรา พัฏฐีปิดกเล่มใหญ่อยู่ที่กายใจของเรานี้ไม่ใช่อยู่ที่ตู้พัฏฐีบิดกนั้นไม่ใช่มงศอธรรมะทั้งหลายมันเกิดขึ้นที่นี่อาศัยความรู้สึกตัวนี่แหละเป็นตาในดูตรงนี้อ่านตรงนี้อ่านให้ม่นยำอย่าไปหลงกับมันก็แล้วกันนี่แหละตรงนี้จะเป็นสิ่งที่จะแสดงออกมาเป็นความจริงที่ปรากฏเพราะนั้น ธรรมเนี่ยการเห็นธรรมเนี่ยก็คือเห็นสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นในกายในใจของเราเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นปกติเห็นแล้วปล่ยวางเห็นเท่าทันความคิดความคิดมันมีหลายรูปแบบมีทั้งความคิดห ย, ยาบๆยาก็มีความคิดที่ละเอียดก็มีความคิดดีก็มีความคิดไม่ดีก็มีเขาเรียกว่าอากุศลธรรมบ้าง กุศลธรรมบ้างสิ่งอย่างต่างเหล่านี้มันมีอยู่ตลอดเวลามันเป็นธรรมะเป็นปรากฏการณ์ที่มันแสดงพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเห็นอันนี้แล้วท่านก็ามาพูดออกมาบอกเพราะนั้นธรรมะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าและสิ่งเหล่านี้ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่เพียงแต่เราต้องใช้เครื่องมือคือความรู้สึกตัวนี่แหละวิตาในเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ ถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้ได้บ่อยๆรื่อเรื่อยๆบ่อยๆรื่อเรื่อยเนี่ยเราจะคุ้นเค ย, ย, ยแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้เราไปหลงแบบอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ไปหลงแบบความยึดติดต่างๆไปหลงแบบความ ห, úng, ห úng, ึงหวงต่างๆไปหลงแบบความเศร้าโศกเสียใจต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในใจเราเนี่ยเราก็หนักนะที่ตะ ก, กีนี้ที่เรา สวดมนต์กันบอกขันขันทั้ง้าเป็นของหนักเนื้อนะอันนี้มันเกิดขึ้นในใจมันหนัก อ, อกหนักใจแต่ไม่ได้กระามที่เรามีความรู้สึกตัวชัดมันจะเห็นความหนักมันจะเห็นของหนักแล้วตอนเราเห็นของหนักเราจะยืดถือไหมเราจะไปแบกไหมมันก็ต้องปล่อยวางมันจะเกิดการปล่อยวางเองโดยธรรมชาติไม่ต้องไปบอกให้ปล่อยวางไม่ต้องไปทาจิตว่าง บางคนแม่อ่านหนังสือบอกทําจิตว่างปล่อยวางเพียงแค่รู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะทําให้เกิดการปล่อยวางเองเขาจะทําหน้าที่ของเขาเองมันเป็ น, นกลไกธรรมชาติที่มันปล่อยวางโดยธรรมชาติเราไม่ต้องไปบอกว่าปล่อยวางเราไม่ต้องบอกว่าจิตว่างนะมันจะเกิดการปล่อยวางเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาทํากันเนี่ยนะเราก็ต้องการที่จะมา เรียนรู้นะสิ่งที่ปรากฏขึ้นในกายในใจของเราโดยอาศัยความรู้สึกตัวนะที่เป็นตาใจนะที่เราพัฒนาหรือว่าทำขึ้นมาจริงๆจริงๆก็คือการพัฒนาหรือบางทีเราเรียกว่าภาวนาน่เองนะที่เรามาทำเนี่ยคือการพัฒนาพัฒนาความรู้สึกตัวให้มันฉับไวขึ้นให้มันรู้เท่าทัน อารมณ์ความรู้สึกความเม่คิดทุกรูปแบบและการทําวิธีนี้เนี่ยเป็นกา ร, รเผชิญกับอารมณ์อย่างตรงไปตรงมาไม่หลบเลี่ยงไม่ อ, อ้อมค้อมตรงๆเลยเพราะในวิธีนี้เนี่ยคนเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยถ้าไม่รู้เนี่ยจะอึดอัดแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่สบายไหนจะง่วงไหนจะเบื่ อ, ไ ห, อไหนจะฟุ้งซ่านไหนจะ หุดหงิดนะอันนี้มันจะเกิดขึ้นนะให้เรู่องาวทุกคนเป็นตอนผมเนี่ยแต่ามาฝึกมาใหม่ๆก็เจอแบบนี้เหมือนกันแต่เราใส่ความรู้สึกตัวที่กลับมาอยู่กับฐานกายบ่อยๆเนี่ยตัวนี้มันจะคลี่คลายมันจะแหวกอารมณ์เหล่านั้นให้เราสามารถผ่านไปได้แลแตอนเราผ่านไปแล้วเนี่ยนะมันก็จะไปเจอลมที่มันละเอียดเข้าไปความคิดที่มันละเอียดเข้าไป บางทีทำไปทําไปเนี่ยโอ้โหมันคิดขึ้นมาว่าอยากให้คนนู้นมาทําอยากให้คนนี้มาทําอยากจะเอาพ่อมาจะเแม่มาอยากจะไปพูดอยากจะไปเผยแพร่อันนความคิดความคิดกุศลละเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นก็ทิ้งนะทำวิธีนี้ความคิดทุกความคิดทิ้งหมดเลยคิดดีคิดไม่ดีทิ้งหมดเลยเพราะฉะนั้นการทนวิธี น, นี้ไม่ใช่คิดรู้ไม่ต้องใช้ความคิดเลยใช้ความรู้ตัวเนี่ย เป็นตัวที่เข้าไปดูความคิดทุกความคิดทิ้งหมดทุงระบบเลยไม่ต้องกลัวนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเสร็จแล้วระปับไปโลกเราคิดไม่เป็นไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวสติความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะจัดระเบียบความคิดเองเราจเจอความคิดอันไหนมาใช้มันจะหยิบมาเมื่อใช้เสร็จมันปิดอันไหนที่เราไม่ต้องการมันก็จะเรียกว่ามันไม่เข้ามามีอิทธิพลต่อเราแล้วนะ สติมันเด่นแล้วความรู้สึกตัวมันเด่นแล้วไอ้ตัวเนี้จะเป็นตัวจัดระเบียบเองความคิดจุกคิดจิกคิดฟึง้งซ่าอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะค่อยค่อ ย, อยน้อยลงมันจะมีความคิดที่เราจะทำงานที่เจตนาจะคิดมันจะดึงมาใช้ใช้เสร็จก็เลิกตรงนี้มันจะทำให้ใจของเราสมองของเราได้พักผ่อนเพราะนั้นถ้าเราปฏิบัติได้ดีได้ตรงเนี่ยเราจะได้พัก ได้พักกายพักใจจริงๆซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่คนในเมืองก็ดีคนที่ทํางานอยู่ในโลกกดีต้องการเพราะวันๆ ม, มันมีเรื่องโอโหเข้ามาเยอะแยะเลยเราไม่มีเวลาที่จะมาพักเลยขนาดนอนก็ยังไปฝันอะไปคิดต่อมันไม่ยอมพักพอะเพราะเราไม่มีเครื่องมือที่จะมาปลดปล่อยที่จะมาถอนกําลังความคิดแต่เมื่อเรามาทำอย่างนี้ มาทาเจริญสี่แล้วความรู้สึกตัวนี้แหละจะเป็นตัวทอนกําลังความคิดเป็นตัวปลดปล่อยความคิดไม่ให้มีอิทธิพลต่อเราและถ้าเราทําได้บ่อยๆเนี่ยเราจะสัมผัสสภาพอันหนึ่งก็คือใจที่เป็นปกติใจที่เฉยๆแต่ไม่เฉยแบบซึ้บีนะเฉยแบบรูนะฉับไวมีปฏิภาณพร้อมที่จะทํางานอย่างขณะที่เรานั่งฟังอยู่เนี่ยให้เราสังเกตดู ใจเราเฉยๆไหมใจเราเป็นปกติไหมส่วนใหญ่ถ้าไม่ง่วงนอนนะถ้าตื่นแล้วฟังรู้เรื่องนะนั่นอ่ะใจปกติใจเฉย ๆ, ๆสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วในทุกคนสิ่งเหล่านี้ทำให้เราไม่เป็นบ้าสิ่งเหล่านี้ทำให้เราไม่เป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันจะถูกปิดบังด้วยอารมณ์ วความรู้สึกความนึกคิดที่เราไม่รู้เท่าทันทำให้เราสุขเราเศร้าเราโศกเราเสียใจเราหนักอกหนักใจมันจะมาบังชั่วขณะหนึงแต่เมื่อด้ก็ตามที่เรามีความรู้สึกตัวมีสติสิ่งเหล่านี้จะออกไปแล้วใจที่เป็นปกติเขาจะแสดงตัวของมังมาซึ่งตรงนีน้มันเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่เหลือวิสัยที่เราสามารถจะทาเพียงแต่ว่า เราต้องมีความเพียรพยายามนะที่จะเรียนรู้ที่จะทําให้ต่อเนื่องบางทีทําไปติดขัดมีปัญหานะก็อาจจะต้องสอบถามกัลยาณมิตรผู้ที่เดินทางผ่านมาก่อนนะก็จะทําให้เราเดินทางได้เร็วขึ้นหรือถ้าเราหาใครไม่ได้จริงๆเราก็พยายามจะแก้ด้วยตัวเราเองเอาความผิดความถูกเนี่ยมาเป็นบทเรียน เพราะนั้นวิธีการนี้ไม่ต้องไปตรงมาเลยนะและเป็นวิธีการที่ว่าไปแล้วเป็นวิธีการที่ง่ายไม่ต้องนั่งหลับตาไม่ต้องใช้คำบริกรรมทำความรู้สึกตัวกัแบบการเคลื่อนไหวในรูปแบบและในกิจวัตรประจาวันให้ทำบ่อยๆทำเรื่อยๆจนเกิดนิสัยอันหนึงขึ้นมาก็เรียกว่านิสยยัยแห่งความรู้สึกตัวไปไหนมาไหนเราก็รู้สึกตัว ทำบ่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีพัฒนาการอย่างนี้แรกๆเนี่ยคิดไปสิบเรื่องเราไม่รู้เลย <S <S แต่พอเราทําไปทําไปคิดสิบเรื่องมารู้ทานเรื่องหนึงอีกเก้าเรื่องไม่รู้ทําไปทําไปคิดสิบเรื่องเรารู้ทานสองเรื่องอีกแปดเรื่องไม่รู้ทําไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายมันคิดพบรู้ปรับคิดพบรู้ปรับอ่าอันเนี้ยอัตโนมัติแล้วตอนนี้พออารมณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเห็นแล้ว เพียงแค่ใครมาพูดมาถูหูเนี่ยแต่ก่อ น, นมันโกรธทุบไปเลยนะแต่ถ้าเรามีสติทันนะเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อมาแล้วมาแล้วมาแล้ ว, ม, ลวมันเกิดขึ้นในใจเราเห็นเลยมันกลุ้มกุมกุมขึ้นมาเลยแล้วถ้าความรู้สึกตัวเราชัดเนี่ยเดี๋ยวอันนี้มันจะมันจะดับไปเองซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำได้เมื่อสติเราสมบูรณ์สติเราใช้การได้นั่นแหละเป็นสิ่งที่ เราสามารถจะพิ่งตัวเราเองได้เรามีที่พึ่งแหละที่พึ่งของเราก็คือสติสัมปชัญญะที่เกิดจากการที่เราทําขึ้นมาประกอบขึ้นมาด้วยความเพียรพยายามและนี่แหละคือความสุขสุดยอดที่มนุษย์ควรจะได้รับเป็นความสุขที่เกิดจากปัญญาที่ได้จากการเจริญสติแต่ไม่ได้หมายความว่า เรามีความสุขสูงสุดนี่แล้วความสุขจากการกินจากการเห็นสิ่งต่างๆมันจะไม่มีมันก็มีอยู่แต่เราไม่หลงแลกกินข้าวก็อร่อยแต่เราไม่หลงในรสชาติไปฟังเสียงเพา ะ, เ, พราะเราก็รู้เราก็ไม่ได้หลงไปในเสียงนั้นเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันยังมีอยู่แต่ก่อนเราก็หลงเพลิดเพลินไป เพราะนั้นตรงนี้จะทำให้เรามีหลักประกันนะในการที่เราจะมีความสุขนะกับชีวิตของเราเป็นความสุขที่จะพึงได้นะมีบทสวดมนต์อันหนึ่งว่าให้ได้สุขสามอย่างลน้นะก็คือนี่แหละการมาสุขชาณสุขและนิพพานสุขนะซึ่งมนุษย์จะพึงได้เราอย่าไปมัวหมกมุ่นลุ่มหลงอ ย, ยู่ในความสุขหนึ่งสองนั้ น, น, น มันเรียนที่สด้วยที่เรามาทำเนี่ยหวังสุขขั้นสูงสุดเลยทำได้นะแต่จะมากหรือน้อยจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็อาศัยความเพียรพยายามของพวกเรานี่แหละนะที่จะได้เรียนรู้แล้วก็ตั้งใจทำนะนาันห า, านี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะนําเสนอให้พิจารณานะว่าเป็นไปได้ไหมจริงไหมอย่าเชื่อสิ่งที่ ตัวกระพงลิตมาพูดนี่เป็นเพียงแต่สิ่งที่ประสบมาแล้วก็มานําเสนอเป็นประสบาการณ์ส่วนตัวแต่ที่พูดนี้ก็ม่ได้หมายความว่าตามานั้นมีสุขสูงสุด <c oughs> ตลอดเวลาบางทีก็ยังมีผลิดเพลิอะไรบ้างนะแต่ถ้าเทียบกับสมัยก่อนแล้วก็มีความสุขมากกว่าแต่ก่อนนะโดยเฉพาะชีวิตของบรรพชิตเนี่ย เพื่อประโยชน์ให้มากกับเรื่องพวกนี้แต่ก็ไม่ได้ชักชวนให้พวกเราต้องมาบวชกันนะไอความสุขสดยอดในทุกคนสามารถสัมผัสได้อยากเป็นพระเป็นชีเป็นโยมไม่จำเป็นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบเพียงแต่เราทำถูกนะเพียงแต่เราเพียรพยายามให้เกิดขึ้นมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้เราทดลองดูนะ มาอยู่วัดภ่าสุขโต <c oughs> อย่าท้อถ้าเจออารมณ์ง่วงนอนอารมณ์เบือ่ออารมณ์ฟุ้งซ่านกลับมารู้สึกตัวทำความรู้สึกตัวตรง น, นี้ทำบ่อยๆทำเรื่อยๆทำให้ต่อเ น, นื่องมันจะเกิดผลแน่นอนนะเป็นสิ่งที่ <c oughs> อยากจะชักชวนพวกเราทุกคนนะ <c oughs> ทั้งที่ผู้มีเวลามากหรือผู้มีเวลาน้อยก็ตามนะให้ใช้เวลาเพื่อการนี้โดยเฉพาะไม่งั้นจะเสียเสียดายเวลาที่เรามาอยู่วัดป่าสุโกโตนะก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คิดว่า <c oughs> สรุปนะว่าการที่เราจะมีชีวิต ที่เป็นสุขนั้นมันก็มีสุขทั้งแต่ระดับเบื Ein, ้องต้นท่ามกลางแล้วก็สูงสุดสุกสูงสุดเนี่ยจะเกิดขึ้นจากการเจริญสติที่เราทํากันถ้าเรามีความสุขสูงสุดนี้แล้วความสุขระดับที่1ที่2นี่ก็เป็นเรื่องจิ๊จ่อยไปเลยแล้วเราก็จะเกี่ยวข้องในปริมาณที่พอเหมาะพอดีไม่ต้องเหน็ดหนืยไปวิ่งหา ไม่ต้องไปเน็ดเหนื่อยกับการหาความสุขแบบนั้นนะเป็นความสุขที่ที่เหน็ดเหนื่อยนะอันนี้เราจะมาสัมผัสกับความสุขที่เป็นความสุขที่เป็นปกตินะไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยแต่เราก็ยังมีชีวิตอยู่ตามปกตินั่นแหละนะยังทําการทํางานยังใช้ชีวิตตามปกติแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือมีความรู้สึกตัว กับการทาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก่อนเราจะทําไปได้วยความเผลอบ้างรู้บ้างนะต่วันนี้เราก็จะรู้บ่อยๆนะและความสุขมันก็จะอยู่ไม่ไกลมันอยู่ในใจเรานี่แหละไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนหรอกนะก็ในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยนะก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ พระพุทธก็คือสติปัญญาที่มีอยู่ในตัวเราทุกค น, นพระธรรมก็คือความจริงที่แสดงให้เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวั น, นที่เราจะใช้ตาใจคือความรู้สึกตัวดูเข้าไปและพระสงฆ์ก็คือตัวเราที่พระพุทธปฏิบัติจเจริญสติ ด้วยความเพียรพยายามทำให้ถูกต้องทำให้ตรงนะก็คงจะเป็นพระวะปัจจัยหนุนส่งให้ทุกท่านเนี่ยได้สัมผัสนะกับความเป็นปกติของใจนะซึ่งเป็นความสุขในขั้นสุดยอดนะที่มนุษย์จะพึงได้รับในการมีชีวิตในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินจเจริญพร